สำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐ า, านแล้วสับว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจจชามิจึงแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับท่านที่นักปฏิบัติเพื่อความดีจะเป็นพระก็ตามเป็นเลงก็ตามอุมบาสกรุบาศิกาะก็ตามจำาค่คำนี้ไว้ให้มันดีจำแล้วจิตก็ต้องคิดต้องทำตามด้วยคำม อ, มอบกายถวายชีวิต นั่นหมายถึงว่ายอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าคำสั่งก็ได้แต่สินเออวินัยก็ดีสิ้นก็ดีเป็นคำสั่งที่พระพุทธเจ้าให้ทรงละเว้นจากความชั่วเบื้องตนอันนี้ขอบนรดาท่านพุทธศาส น, นิกชน ตามบีสุสมันในนุมบาสุกุมบาสิกาตั้งใจว่าให้มันว่าถ้าเราละเมิดศีลมันเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยเกิดความร่าเรอนอีกประการหนึ่งรากเงาของกินเลดจะได้แก่ความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีหรือว่าความโลภ โลกอย่าจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนทรัพย์สินให้มากมายก็ดีความโกรธความเพียมบาทจองร้างจองผลานซึซ่งกันและกันก็ดีห้รู้ว่าหลงตัวเราจะไม่ตายหลงตัวเราเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวก็ดี <c oughs> สิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระจินท ส, ส, สีบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้า ทรงให้เราละเสียจึงังขอท่านอย่างหลายที่ประกาศตนไว้มาหังพระกวาตะพาวังตุมหากามปริจจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามอดกลัน้นความรักในระหว่างเพศ รูปเสีงยงกลิ่นรสสัมผัสความโลภอยาจะ ร, ร่ํารวยความโกรธความโหลงคำ ม, มาอดกลั้นไม่หมายความว่มาทําจิตเป็นสมาธิได้แก่อารมณ์เป็นฌานฌานโลกีเมียมน่าแค่อดกลั้นเท่านั้นอันดับต่อไปมาอดกลั้นได้แล้วก็พยายามห้ําหันกิเลสทั้งสามราการที่เรียกว่าสีข้อนี้ ราคากะกับโรพะโลภมีสภาพอันเดียวกันที่ผมพูดแยกออกไปก็เพื่อความเข้าใจเท่านั้นพยายามห้ามหันมาให้มันหมดสิ้นไปจงทำตัวทำใจให้ประกอบได้วยความสุขในด้านของความดีหวังว่าท่านหลายคงจะไม่ไม่ลืมบทข้อนี้ ถึงว่าทแทนที่เราจะว่าเป็นประเพณีนมันเสียเวลาเปลา่าชีวิตของเราร่วมไปร่วมไปทุกวันทุกวันมันใกล้ความตายเข้ามาทุกทีฉะนั้นขอท่านนันหลายจงทรงไว้ซึ่งความดีสิ่งใดที่มันชั่วมาแล้วก็มันแล้วกันไปอย่าหรือฟื้นคืนมันขึ้นมาเพราะความชั่วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บรร n ามท่านใดท่านหนึ่งเพราะขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่เคยทำความชั่วไม่มีเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเขตขององค์สมเด็จพระจินทร์สีพระมรรัสสะสินดาสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเขตของความดีเราก็ควรจะทรงความดีให้เต็มภาคภูมิ <c oughs> นี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักปฏิบัติที่จะทได้ดีจริงๆเนี่ยเขาไม่ลืมคํานี้ให้คํานี้มันกล้องอยู่ในจิตทุกเวลาในเมื่อมันกล้องแล้วเขาจับจริยาอารมณ์ของจิตว่ามันชั่วตรงไหนจิตเรามีความรักในโลกสิงกรีนรสหรสัมผัสหรือเปล่าจิตเรามีความโลภหรือเปล่า จิตเรามีความโกรธความเพียรบาดจองล้างจองผลานบุคคลอื่นหรือเปล่าจิตเรามีความหลงในความประพฤติชั่วข้าในตัวคนเราที่เข้าใจว่าเราประพฤติดีหรือเปล่าทุกวันนี้เราคอยจับดูอารมณ์ของจิตตามพระ บ, บาลีที่กล่าวว่าอัตนาจุทยตยานังซึงแปลเป็นใจความว่าจงกลา่าวโทษโทษโจดความผิดตนเองไว้เสมอ อันนี้เราคิดหรือเปล่าหรอคิดว่าเราดีถ้าเราคิดว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมื่อ น, นั้นต่อจานี้ไปก็จะพูดถึงานาปานุสติกรรมฐานเวลานี้เรากำลังศึกษานาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> แล้วสิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า <c oughs> บางท่านจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่เข้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าเราทรงอนาปานุสติกรรมฐานได้กรรมฐานนี้มีนนี้เครื่องหมายโดยเฉพาะลมให้ใจเข้าออกนั้นลมให้ใจเข้าออกนี่ส่วนมากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจกับลมเพราะว่าร่างกายมันทำงานของมันเป็นปกติ ถ้าหากว่าเราไปสนใจกับลมรู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติอารมณ์ความหลงในกามาคุณห้ามมันก็ไม่มีอารมณ์มันมีความหลงไปในเรื่องของความโลภมันก็ไม่มีจะหลงในความโกรธความหลงมันก็ไม่มีเพราะว่าจิตมันติดงานคือรู้ลมเข้าลมออก เป็นนว่าจิตของท่านเป็นฌานสมาบาัติเมื่อฌานสมาบัติเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเพราะได้โปรดทราบที่ไม่สามารถจะทำปัญญาให้ดีขึ้นได้เพราะใจของท่านไม่เป็นสมาธิปัญญาที่มันดีขึ้นได้มีอะไรที่เราจะรู้ปัญญาดีปัญญาชั่วก็จิตขอเราเข้าไปวัดกับอารมณ์ของ พระสูดาบันความจริงเรื่องนี้เราพูดย้ำกันไปยังกันมาฟังกันทุกวันผมเห็นว่าเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่เป็นของหนักสำหรับคนเลวโปรดจำไว้ด้วย <c oughs> ว่าคำว่าพระสูดาบันเป็นของไม่ยาก เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องของพระโสูดาวันวันนี้เราย้อนถอยหลังไปสักนิดหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นประโสูดาวันได้แล้วหรือยังหรือว่าจิตของเรายังวุ่นวายอยู่กับความชั่วคนที่มีอารมณ์จิตไม่วุ่นวายกับความชั่วนั่นก็คือพระโสูดาวัน ถ้าสโสดาบันมีอะไรนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในประธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยในคำส่นสอนของท่านมีศีลห้าเป็นบรมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตรักพระนุภาพเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้น หมายความว่าความหวันไหวในโลกธรรมแปดประการมีน้อยใครเขาเย็นด่าจะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครเขาใจชมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามมันมาก็ธรรมดาบรหมดความหวั่นไหวเขาประโสูดาบันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพระสูตดาบันก็มีความอิ่ใจ ที่คิดว่าเราเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียที่เกิดที่เราสามารถจะรวบรวมความดีไว้ได้ขึ้นหนึ่งสกายติฐิแบบเมาก็ได้แก่ไม่เมาในชีวิตคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายก็ต้องหาทางสร้างความดีใช้ปัญญาพิจรารณาคําสอนขององสมเด็จพระจีนสี จนกตะทังมีความเข้าใจไม่สงสัยอย่างนี้เรียกว่าเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในพระสงฆ์เมื่อไม่สงสัยก็ตัดใจตรงลงเฉพาะด้านของความดีคือมีศีลบริสุทธิ์เฉพาะครวญวัดมีศีลห้าบริสุทธินน์สมณีมีศีลสิบบริสุทธิ์พระมีศีลีสินเ2 7บริสุทธิ์ จิตมีความรักผนิพานเป็นอารมณ์คิดไว้อย่างเดียวว่าตายคราวนี้จุดที่เราจะพลุงไปนั่นเราต้องการผนิพานอารมณ์ขั้นต้นกเไ็นโสนดาบันเพียงเท่านี้มันยากมากเลยในความจริงสำหรับคนชั่วยากสำหรับคนดีไม่ยาก เพราะว่าคนชั่วจะสอนอยังไงก็ตามก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ฟังแล้วก็ฟังเฉยๆมีความท่านองตนคิดว่าตนเป็นคนดีเป็นปกติไม่ได้มองความชั่วของตัวที้สำหรับการที่เราจะทำให้ศีลบริสุทธิ์นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ไม่สงสยัยในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำยังไงเวลานี้เราจะเรียอาณาปานุสติกรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรใช้ชอ น, นาปานุสติกรรมฐานเป็นวิปัสนาญาณเครื่องควบคุมอาณาปานุสติได้จากการนึกถึงลมให้ใจเข้าหายใจออก ถ้าจะภาวนาก็ภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้เป็นความต้องการของเราที่จะสร้างความดีขนาดที่เราภาวนาว่าพุทโธเมถ้ารูดลมให้ใจเข้าออกปัญญาไม่เกิดทำไมจะว่าปัญญาเกิดเพราะเพราะจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดถ้าปัญญาของพวกท่าน ห, หลายไม่เกิดก็สแสดงว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะาถามผมว่าจิตเป็นสมาธิอันดับไหนปัญญาจึงเกิดก็ต้องขอตอบว่าตั้งแต่คณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิปฐมัญชานทุติยฌานตัยฌานเจตุติฌา น, านไม่ว่าสมาธิจุดไหน ปัญญาเกิดทั้งหมดนึถ้าปัญญาเราไม่เกิดก็แสดนวจิตไม่เป็นสมาธิอันนี้ต้องจำเลยครับการศึกษามีวัดเราแห่งเดียวที่รับฟังคำสอนเป็นปกติแต่ถ้าว่าเป็นที่น่าเชื่อดจอยู่นิดหนึ่งบางทีเรารับคำสอนกันมากเกินไป จน่ระทั่งมีใจหยาบไม่มีความรู้สึกละอายในความชั่วทุกท่ า, ารมใดๆถ้ามันเป็นความชั่วมีอยู่แล้วก็นึกทังตรง น, นี้นะครับนึกว่าเราเลวจริงๆนะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ําแต่ไม่รู้คุณของน้ํานกที่จับอยู่กับต้นไม้ก็ไม่รู้คุณของต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยให้ความสุข สำหรับนกน้ำเป็นที่อาศัยความสุขสำหรับปลาแต่นกกับปลาก็มีจิตอยากมีจิตเลวมันจะรู้สึกถึงคุณของต้นไม้และน้ํำชั้นใดสําหรับคนที่มีจิตลเลวก็เช่นเดียวกันอยู่กับคําสอนพระองคส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเป็นปกติ แต่ว่าไม่สา ม, มารถจะทําจิตเป็นสมาธิไม่สา ม, มารถจะส่งความเป็นประโสนาบันได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่น่าตักใจถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเลวเต็มทีความเป็นพระไม่มีความหมายความเป็นเนนไม่มีความหมายความเป็บลมบาสุกุมบาสิกาไม่มีความหมาย เรามาพูดกันถึงคนที่มีปัญญาเวลานเขาจับลมหายใจเข้าหายใจออกเขาก็ยันั่งคิดว่าร่างกายข้าเราหยุดที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยผัดสาหารอาหารคือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสําคัญสําหรับการลิงเวลาหารอาหารคือคําข้าวก็มีความสําคัญ มนโนสัญเจตนาหาหนาหารที่เราต้องการตามอารมณ์ของใจก็มีความสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจถ้าเราหายใจเข้าแล้วเราไมาห่หายใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วเราไมาห่หายใจเข้ามันก็ตายนั่งมองดูชีวิตตามความเป็นจริง ว่าความตายนี่มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนวันเวลาที่มันจะตายบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรกันแน่นี่เราจะปล่อยชีวิตของเราตอนนี้ให้มันตายไปโดยการไร้ประโยชน์ก็ไม่สร้างความดีมันจะเป็นการสมควรไหมการที่เราไม่สร้างความดีเราสร้างความชั่วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ ในเมื่อชาตินี้เราทุกชาติหน้าเราจะสุขได้ยังไงวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้มันจะดีได้ยังไงเพราะว่าใครก็เห็นว่าว่าวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้ใครก็เห็นหน้าเราเขาก็คิดว่าเราเลวอยู่นั่นเป็นนั้นว่าเราก็บรร n ามตัวเราเองค่อยจับจุดที่ศีลศีลของเราบกพร่องไหมจับจุดที่กรรมคุณกรรมคุณของเรา ฟุ้งซ่านไหมจับจุดที่ละโลภความโลภเรามีความโลภไหมจับจุดที่ใจอมหิ้โทษร้ายมีความโกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นอันนี้เรามีไหมจับจุดที่เป็นความหลงหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไปอยากจะเกือ้อกูลกิเลสให้มันมากคิดว่ากิรร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอดสมัย อยากท่า น, นองตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะเจด่นอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เลวนี่เป็นส่วนยอดสำหรับพระโสดามันเราก็หันกันไปทีว่าเอ๊ะที่เรามจะตายเราวนีท้าย ใ, ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหรือว่าให้ใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายแล้วเราจะทำยังไง ทำยังไงเมื่อเวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุขเวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพา น, านิพนธ์ในเวลาตายในเวลาอยู่ที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยอยู่อย่างจิตไม่ติดในโลกธรรมไม่เวรงของความชั่วกวอนจริงในโสนาบันยังมีโลกกระทำติดอยู่มาก แล้วก็ถอยหลังไปดูโอ๋เนอชีวิตเราคนดีชีวิตขเาตขาพวกคนอื่นคนดีไม่มีการทรงตัวเิ้นเลยจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุอยู่นานอายุอยู่นานเร า, นานก็ยังดูคนที่เกิดพร้อมเราแล้วว่าเกิดที่หลังเราเขาตายก่อนเรามีบ้างไหม ถ้ามีก็สนแสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันจะพลันตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้อันนี้จับอนาปันสติให้ดีทห่เราโอหนอลมให้ใจนีเป็นที่เพ่งชั่วคราวสำหรับเราถ้ามันไม่ทำงานเมื่อไรเราก็ตายมีชีวิตของเราต้องตายแน่แต่ถ้าว่าถ้าปกติเรามีความรู้สึกชั่ว จะโชวตรงไหนก็ตามเราปัจจุบันเราก็มีทุกข์ตายจากความเป็นคนเราก็มีทุกข์ฉะนั้นเราต้องหาความสุขขั้นต้นเสียก่อนอันดับแรกถีอลมห้ใจเข้าออกเป็นสำคัญว่าเจ้ากับเรานี่ไม่อยู่กันไม่นานไม่ช้าเจ้าก็ไม่ทำงานไม่ทำงานเช่นก็ตาย เมื่อร่างกายมันตายแล้วฉันก็ต้องไปไปสู่ภพสู่ชาติตามความดีด้วยความโชคของฉันในการสู่ภพสู่ชาติมันจะดีไม่ได้เพราะชาตินี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนชาตินี้เต็มไปด้วยความวโกลวายของใจเป็นอันว่านับแ ต, ต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตของเราจะทรงไว้ซึ่งความดีโมืจ่จิตของเราดีเมื่ออยู่ในชาตินี้เราก็เป็นสุขตายไปชาติหน้าเราก็เป็นสุขเป็นสุขตรงไหนเป็นสุขที่ว่าเรามันดีถ้าเราทําความดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเข้ามาว่ามากล่าวมติมาเตียนเรา ตอนนี้ความดีจริงๆอยู่ที่ไหนผู้ให้ความดีจริงๆคือพระพุทธเจา้าแนื้อความดีที่พระพุทธเจ้าให้ก็คือพระธรรมผู้จึงนําเอาความดีคือพระธรรมมาแนะนําเราก็คือพระอริยสงฆ์เป็นอันว่าทั้งสามจุดนี้ เราถือว่าเป็นที่พึ่งของเราก็ติดในพระพุทธเจ้าก็ติดในบาธรรมก็ติดในปร ะ, รประสงค์ความจริงมันก่อนผมก็พูดแล้วเกาะติดมาแล้วติดจริงๆก็ติดในรมนาน า, นาปานุสติกรรมฐานไม่ยอมให้รมว่าจะอานาปา่าไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามายุ่งกับจิต ถ้าความชั่วต่างๆมันจะเข้ามายุ่งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเร า, าติดเจรณาปา น, านาปานุสติ <c oughs> ติเนลมหายใจเข้า ใ, ใจออกถ้าใจมันจะคิดเรื่องอื่นได้ยังไงถ้าเราจะทำงานก็จับลมหายใจเข้า ใ, ใจออกเป็นพื้นฐานให้จิตส่งตัวเอางานเป็นสรณะเอางานเป็นที่พึ่ง เหมือนกับพระที่กำลังทำงานอยู่นี่พานะที่เราใช้มันกาวไปสีไม่เหมาะสมพอเห็นว่าสีไม่เหมาะสมก็จงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนันตรจังความจริงสีนี่มันดีเขาทำคนทำก่อนก็เหอนว่าสวยแต่เวลานี้มันเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะการเวลาผ่านไป มันก็เริ่มใช้ไม่ได้ไม่ถูกกาลสมัยเราก็ต้องทําใหม่ให้มันดีแต่คําว่าดีที่เราทําใหม่มันก็ไม่ดีตลอดกาลตลอดสมัยสีเก่ามันสลายตัวได้เสียอมได้ชั้นใดสีใหม่ก็ไม่สภาพแบบนั้นแล้วเมื่อสีมันเป็นอย่างนั้นร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่ช้ามันก็สดมันก็โทมมันสดมันโทมไปทุกวันมันก็สีที่พ่นใหม่มันก็เก่าลงไปทุกวันในที่สุดสีก็ใช้ไม่ได้ชั้นใดร่างกายของเราก็เหมือนเหมือนกันไม่ช้ามันก็พังนี่เป็นอันว่าเรื่องของร่างกายแล้วก็อนาปาลมให้ใจเข้าหห้ใจเข้าไปแล้วถ้าเราก็ให้ใจออก เวลาให้ใจออกแ ล, ล้วให้ใจเข้ามันไม่ใช่ลมเก่าที่ออกไปมันเป็นลมใหม่เมื่อร่างกายของเราก็มีสภาพแบบนี้ความจริงความตายมันมีทุกวันเวลาการผ่านไปเพียงใดความตายปรากฏเท่านั้นแต่ที่มันอยู่กันได้ก็าอาศัยสัน ต, ติคือการเสียบเนื่องติดต่อ การติดต่อซิ่งกันและกันในระหว่างร ะ, ระหว่างระหว่างอาหารสำหรับอาหารคือคำข้าวช่วยเสยร่มในร่างกายโตขึ้นและทรงตัวสำหรับอาหารที่มีความสำคัญคือผัสสาอาหารได้กะลมให้ใจเขาออกเป็นการให้ชีวิตทรงอยู่แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องสมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าไม่ช้ามันก็สลายตัว เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเกาะติดศีลเกาะติดศีลจะติดได้ยังไงเกาะให้ดีจริงๆก็คือเกาะลมมีหารศีลจิตมีเมตตาความรักในคนสัตว์อยู่เสมอไม่คิดว่าเราจะเป็นศัตรูกับใครไม่คิดว่าใครจะเป็นศัตรูกับเรา กูน่าจิตมีความสงสารปรารถนาจะเกือกูลให้คนอื่นไปมีความสุขอยู่เสมอเมื่อจิตมีความรักความสงสารสิ้นขาดไม่ได้ต่อไปจิตมีคือมุทตาอุเบกมุทตาคือความยินอาจิตอ่ อ, อนโยนไม่มีอารมณ์อิจฉาทศ่สยบบ่คนอื่นเห็นใครดีเพียงใดเราพอใจเพียงนั้น ไม่ใช่ยาไปจะเป็นหน้าอิจฉาดติยาความดีของบคนอื่นเป็นอันว่าเราพอใจในความดีของท่านเขาดีเราพลอยดีใจด้วยดีใจแล้วก็ทำตามเขาเห็นเขาดีเราไม่เดือดรอ้อนเจอคนดีเมื่อไรชื่นใจเมื่อ น, นั้นนี่เป็นลักษณะของบรมีหานสี อุณเบฆขาวางเฉยต่อลมที่เข้ามากระทบกระทั่งจะเป็นคํานินทาหรือคําั้นเสงงก็ช่างลาบจะมีหรือไม่มีก็ช่างลดยศจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันมีแล้วมันสลายไปก็ช่างมันคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าจิตใจขวัญดานท่านนั้งหลายโดยทนหนาจิตทรงอยู่ในพรมหมรรคสิบประการ เรื่องความเป็นประโสดาบันไม่มีความสําคัญสําหรับท่านท่านี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรื่องความเป็นประโสงดามันก็เป็นของเล็กเพราะประสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีความสําคัญอยู่ที่ศีลถ้ากว่าศีลของเราบริสุทธิ์ก็มีความเป็นประโสงดาบันได้ นี่ถ้าเรามีจิตเมตตาการณาทางสองประการแม้ไม่มีมุทุต า, าอุเมกขาก็ตามสิ่งที่เราก็บริสุทธิ์แล้วก็จ ะ, ะนั้นเขาบรรดาท่านทั้งหลายที่มีความหวังดีกับตัวของท่านเองความจริงความดีที่เราทําเราทําเพื่อเราเพราะเรามีความสุขยังขอทุกท่านหวังความเป็นประสูตามัน ขอทุกคนจงอย่าเว้นนึกถึงความตายพิจารณาความดีเข้าไว้ส่งพรมิหารสี่ให้ครบทนเมื่อพรมิหารสีลครบโดดทบทวนเพียงใดชื่อว่าท่าน ห, หลายทรงศีลบริสุทธิ์แถมจิตอีกนิดหนึ่งว่าเราขอไปพนิพพานเป็นที่สุดชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายสำหรับเรา การเกิดเป็นมนมุษย์คนดีเทวันดาคนดีฟงคนดีไม่พึงเป็นที่ปรารถนาของเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานท่านบรรดาท่านหนึงหลายมองเวลาที่จะพูดกับท่านเห็นว่าสมควรจะเวลาแล้วตอนนี้ไปขา้าวรนดาท่านพุทธมรรส ท, ทุกท่านตั้งคายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้ใช้ อ, อรารมณ์พิจารณาหรือภาวนาก็ได้ตามอธัธยาศัยเล่นเท่ขออยู่ในอริยาบทตามสบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืงก็ได้จะเดินก็ได้ตามอธัธยาศัยของท่านจึงกล่าวว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร